เอื้อภากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เรามาประชุมกันที่ศาลากา ร, ปรเปรียนนี้พมมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกกายฝึกใจให้สงบระงับจากกิเลสกาบประธรรมต่างๆเพราะใน ใจของคนเราเนี่มันมีกิเลสกิเลสนัส้นมีทั้งกิเลสฝ่ายดีกิเลสฝ่ายชั่วผลไปกันอยู่ในเนี่ยดังนั้นเราจึงตง้องฝึ ก, กจิตนี้ให้มันสงบประงับเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นและจะได้มองเห็นกิเลส จะได้เห็นโทษของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆแล้วก็จะละมันได้ถ้าไม่เห็นมันก่อนก็ละมันไม่ได้กิเลสมันก็เกิดจากความคิดความนึกความดำริในใจนั่นไะไม่ใช่อย่างอื่นได้ ลองสังเกตดูคู่ภาวนาเนี่ยเมื่อสังเกตดูมันก็รู้ได้ mm hmm. พ็ ก, กิเลสมันไม่ใช่มันมาแต่ข้างนอกมาสวมเอาไม่ใช่ <c oughs> อารมณ์ต่างๆหรือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส เหล่านั้นไม่ใช่ตัวกิเลสมันเป็นแต่เพียงเหตุให้เกิดกิเลสเฉยๆ mm hmm. เมื่อจิตไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังมันมันถึงเกิดเป็นกิเลสขึ้นมา mm hmm. ถ้าจิตรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้น แล้วย่อมแพร่วกลนแตกดับไปจะเป็นของละเอียดสวยงามประนีตอย่างไรหรือว่าเป็นส่วนหยาบประตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปเป็นธรรมดาเกิดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ออก็เพื่อที่จะให้รู้ความจริงของสรรพสังขารทั้งหลายทั้งภายนอกทั้งภายในถา้ถาทําไม่อบรมปัญญาให้เกิดก่อนเพียงแต่ดูตามตัวนังสือเพียงแต่จำตามตัวนังสือเฉยๆอย่างนั้นมันระงับกิเลสไม่ได้ความจำความหมายตามตำลับตำราเท่านั้นนะ เพราะกิเลสมันเกิดขึ้นจากดวงจิตอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าอบรมจิตให้สงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นมันจะเตือนใจสอนใจให้คิดให้ดำริไวแต่ทางที่มันไม่เป็นโทษไม่ก่อให้เกิดกิเลส ก็ทางที่มันจะไม่ก่อให้เกิดกิเลสก็หมายเอาความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแรปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดความรู้ความเห็นอย่างนี้แหละเมื่อรักษาไว้หรือว่าทำให้เกิดให้มีขึ้น ในใจเสมอๆไปแล้วกิเลสมันจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความรักความชังเป็นต้นเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามองดูด้วยปัญญาแล้วว่าทุกสิ่ททสงทุกอย่างมันมีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแจกดับไปเท่านั้นเองจะเป็นของงยาบของละเอียดปานิตย์อย่างไรก็ตาม ความจริงมันก็มีแค่นั้นแต่เมื่อจิตไม่ได้พิจารณานักไปหลงรักหลงใครในเมื่อรูปคนเห็นเขาแต่งตัวประดับประดาด้วยเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั้นนาะมีสีสันวันนะแตกต่างเข้าไปเท่านั้นนะ่ะ ก็เห็นว่าสวยว่างามก็จึงได้หลงรักหลงใคร่ไปถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ารักน่าชังเพราะว่าเครื่องประดับต่างๆ่เหล่านั้นมันก็ผลิตมาจากธาตุดินนี่เองสีขาวสีเขียวสีดำสีแดง อะไรโมนี้มันก็เป็นอุปทัยยรูปเป็นรูปอันละเอียดซึ่งอาศัยอยู่ในรูปหยาบนั้นไม่ใช่ว่าเป็นของวิเศวิโสอะไรเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้มันมันก็จิตจิตใจนี้มันก็รู้สึกเฉยๆไปรู้สึกเห็นเป็นเรื่องธรรมดา การประดับประดาตกแต่งร่างกายของคนเรานี่มันก็เป็นไปตามกิเลสของคนนะสุดแล้วจากกิเลสในใจมันโผล่ขึ้นมาอย่างไรมันชอบสีขาวเอาสีขาวมาใสชอบสีแดงเอาสีแดงมาใสใสนั่นะไอความชอบใจเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาไม่อยู่คงที่ ดังนั้นเครื่องนุ่งคนของคนธรรมดาสามัญทั่วไปมันจึงมีหลายหลากหลายสีไม่เหมือนเครื่องนุ่งของนักบวชเครื่องนุ่งของนักบวชนี่พระพุทธเจ้าทรงให้นุ่งสีเดียวกันหมดไม่ให้มีหลายสีนั่นแสดงถึงจิตใจนั่นมันไม่วกแวก จิตใจของนักบวชผู้ฝึกฝนดีแล้วนั่นไม่วอกแวกไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆผ้านุ่งผ้าหมก็นุ่งหมเพียงแต่ห้องกันหนาวห้องกันยุงลิ้นเดือบเนือสัตว์เลื่อยคานต่างๆ เท่านั้นเองนะผู้ผู้รู้ทั้งหลายเนะี่ยท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วนุ่งห่มไปมันก็ไม่เกิดความรักความไข่อะไรในวัตถุสิ่งของเครื่องนุ่งเครื่องหม่มเครื่องประดั บ, ป ร, ดบประดาตกแต่งเหล่านั้นก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไป มันก็ไม่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาถ้าไม่รู้เท่าแล้วมันก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาสารพัดต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเครื่องประดับอะไรนี่มันล้าสมัยแล้วไม่ไหวเอาหาซื้อมหมอที่เขาทำขึ้นมาแปลก เงินทองหามาได้เท่าไรก็หมดไปเพราะจิตใจนี่แหละมันชอบไม่หยุดยัง้งพลิกไปพลิกมาธรรมดาผู้มีปัญญาทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นไม่ทะเยอทยานไปในสมมุติของโลกเพราะสมมุติของโลกไม่มีสิ้นสุด หนอหนึ่งมันก็สมมุติอันหนึ่งขึ้นมาหนอหนึ่งก็สมมุติอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนในทางธรรมพระศาสดาทรงให้ใช้บริขารเครื่องใช้สอยให้ใช้ธรรมดาธรรมดาอืมใช่มีสีเดียวไม่หลายสี นี่แสดงว่าจิตใจนั่นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและสีสันวันณะต่างๆมูเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมจะไม่หลงไหลไปตามสีสันวันณะต่างๆมูนี้มนแม้แต่สีผิวร่างกาย อันนี้ก็เหมือนกันน่ะพิจารณาให้มันถึงความจริงของมันแล้วก็ไม่มีอะไรสีเหลืองสีขาวสีแดงของร่างกายมันเกิดจากเลือดผู้ใดเลือดจางผิวพรรณก็สูกสีดไปผู้ใดเลือดเข้มขน้นผิวพรรณวันหน้าก็เปลง่งปัง เีว่าสีเนื้อสีแดงแท้ๆก็ไม่ไม่ใช่เีว่าสีแดงพอพอนวล น, นวนพอทำให้คนเราหลงไหลยินดีพอใจในสีเนื้อสีหนังอันนั้นนะพอเห็นสีเปล่งปังเข้าไปแล้วก็ชอบใจอย่างนี้แหละถ้าาพี่นะให้ลึกซึ้งไปแล้ว มันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ธาตุน้ําเท่านั้นแหละธาตุน้ํานั้นมันมีหลายสีอย่างว่าน่นนะสีขาวสีเขียวสีดําสีแดงอะไรนะ่ะมันมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาหรือว่าธรรมชาติมันปรุงแต่งขึ้นมามันยังมีอยู่ประจําโลกอยู่นั่นอันบรรดาสีต่างๆเหล่านี้นะสีเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัส อุปทายรูปรูปอาศัยรูปอาศัยอยู่ในรูปหยาบรูปใหญ่อาศัยอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ผู้ภาวนาต้องแยกแยะต้องพิจารณาให้มันเห็นความจริงของรูปประธาตเหล่านี้ตั้งแต่ยามหยาอยังหยาบต่น ไปถึงอย่างละเอียดสุ ข, ขุมก็สักแต่ว่ารูปเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเป็นแต่สภา ว, รวธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อมอนเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันธาตุดินก็ไปเป็นดินไปธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุไฟก็เป็นไฟไป ธาตุลมก็เป็นลมไปอากาศาธาตุก็เป็นของว่างไปวิญญาณธาตุมันก็ดับไปเดี๋ยวก็เกิดมาใหม่เมื่ออุปาทานภายในจิตใจยังมีอยู่ยังหลงถือว่าเป็นตัวตนของเราอยู่ มันก็เป็นตัวกรรมน้ำดวงจิตเนี่ยไปเกิดในรูปในนามนั่นอีกเกิดมาแล้วก็มาหาเลี้ยงมันบํารุงรักษามันอยู่อย่างปัจจุบันนี้แหละพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยปัจจัยสี่นี้แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยโดยเฉพาะข้าวกับน้ำ อันนี้มันเป็นจะจสิ่งจําเป็นต่ออัตภาพร่างกายนี่เพราะฉะนั้นร่างกายนี่มันอยู่ไปได้ก็เพราะอาหารหล่อเลี้ยงไว้เฉยๆมันเปลงปังมันอ้วนท่วนสมบูรณ์ไปได้ก็เพราะเหตุสองอย่างอย่างหนึ่งกรรมชั่วเวรชั่วแต่ ไม่มีในชาติก่อนตัวไม่ได้ทำมาทำแต่บุญกุศลมาหรือว่าถ้าทำก็เสวยวิบากกรรมอันนั้นไปหมดแล้วตอนนี้มาเสวยผลของบุญบุญจึงตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์โรคภัยอันร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนมันถึงสมบูรณ์อย่างนั้น นี่การที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาทางแง่ดีและแง่เสียของร่างกายอันนี้ให้มันเห็นตลอดไปเลยมันจะไมไ่หลงรักหลงชังเมื่อคนเราถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้รู้แจ้งอย่างนี้นะท่านไปเห็นรูปอุ อ่่นทวนสมบูรณ์ดีสีสันวันหนะเปล่งปั่งก็ชอบใจถ้าไปเห็นรูปกายที่สูกซีดหอมเหลืองอะไรไป น, นั้นก็เกลียดชังไม่ชอบอันนี้มันมีอยู่ในใจกิเลสเหล่านี้นะมีอยู่ในใจคนเรามาในสงสารนี่ ขณะนานับชาต์นับพกไปทวนเหตุที่มันจะเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่นี่ก็เพราะใจมันยึดเอากิเลสเหล่านี้ไว้ทันทใจมไม่ยึดเอาไว้แล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสเหล่านี้นะมันยอมระงับดับไปเหตุที่มันจะมีกิเลสเหล่านี้อยู่ก็เพราะไม่ได้ใช้ปัญญา พิจารณาร่างกายให้ละเอียดแลออ้วอลงไปอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นไปดูกันแต่ผิวเหินดูแต่ผิวนอกนี่ท่านั้นเองไม่ได้ดูเข้าไปถึงข้างในถ้าดูแต่แค่ผิวนอกนี่ก็เมื่อทำความสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามน่ารักน่าใฟ ถ้าเพ่งพี่นาเข้าไปภายในนันแล้วจะมองเห็นโดยปัญญาเลยว่าไม่มีอวัยวะส่วนไหนน่ารักน่าใครเลยเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสุขภกอยู่ภายในเนี่ยอาศัยหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองที่มันไม่อุตจาดหลายน่ะนะ แต่ถึงหนังหุ้มอยู่ก็ตามแต่มันก็มีรูขุมขนอาหารส่วนละเอียดที่มันย่อยไปเลี้ยงร่างกายแล้วมันก็ระบายออกมาทางขุมขนได้แก่เหงื่อใครถ้าส่วนหยาบ มันก็เป็นอุจาระปัสสวะออกไปเป็นสัสนเลสเป็นขี้หูขี้ตาขี้จมกูกมูเนี่ยคนเราไม่ได้พิจารณาเรื่องมันน่ะมอนถึงเห็นว่าเป็นของสวยงามถ้าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ละเอียดเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงาม รูปกายอันเนี้ย <c oughs> นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่หลงไหลหลงรักหลงชังผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาอันเกิดจากสมาธิน่ะเ่งพิจารณาให้มันละเอียดละอออเข้าไปให้มันเห็นแจ้งทุกแง่ทุกมุม ของร่างกายอันนี้อย่าสักแต่ว่านั่งสงบจิตอยู่เฉยๆไม่ได้เพ่งคดพิจารณามันก็มันก็หลงอยู่นั่นแหละถ้าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆน <c oughs> ังนั้นจงพากันภัก เปียนพยายามแพงพินิจพิจารณาบางค น, นกลัวความรักความใคร่มันจะหายออกไปจา ก, กจิตใจก็ไม่พิจารณามันมันก็เป็นทุกข์กับความรักความใคร่นั่นแหละวันนี้นะต้องเป็นเอเสสร้างบ้านสร้างเรือน สะสมเงินทองเข้าของสารพัด <c oughs> มันแสนทุกแสนยากใจลำบากกาันแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาสร้างบ้านสร้างเรือนมาให้ร่างกายนี่ได้อยู่ได้อาศัยกว่าจะได้เป็นเย้าเป็นเรือนไม่ใช่น้อยบางคนก็ตายซ้ำ ในทันได้อยู่อาศัยบ้านเรือนใจโตที่สร้างขึ้นมาเพราะร่างกายนี้ไปใช้มันทํางานกลักกรรมเกินขอบเขตหลายมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็แตกตับทําลายไปในเมื่ออายุยังไม่หมดก็ตายไปเสียก่อนมีเยอะแยะเพราะว่าการแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นี้เนี่บางคนก็ตันหาความอยากมันมาก นิ่งสวงหาไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเอาไเอามาร่างกายนี้มันก็หมดกำลังไปในตัวมันก็แตกตายทำลายลงไปอย่างนี้นะนี่แหละการภาวนานะทำใจให้สงบลงไปแล้วก็มาแยกแยะดูอัตภาพร่างกายอันนี้ ให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ได้หลงไม่ได้หลงรักไม่ได้หลงชังหลงเกลียดไม่ได้โศกเศร้าเสียใจกับรูปกายอันนี้เมื่อมันมิบัตรแปลปรวนไปถ้าว่าผู้ที่ยังพิจารณาให้ละเอียดละอลองไป อย่างนั้นได้ก็พิจารณาส่วนหยาบๆนี่ก็พอบรรเทากิเลสตัณหาความรักความใกล้ลงได้มากถ้าเป็นผูกครองเรือนก็ไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นอันเป็นเดตให้ผิดศีลผิดธรรม เป็นบาปเป็นโทษถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ล่วงวิในอันร้ายกาดเป็นโทษหนักจะบันเทาราคาตตัญหาลงได้ก็ควรพิสูจพิจารณาดูคนเรามันจะทำบาปลงไปยอมตกนรกอบายภูมิ ก็เพราะความรักความชังความโกรธความพยาบาทนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเช่นอย่างโกรธกันมาแล้วถ้าระ ง, งับไปได้กลายเป็นพยาบาทวางแผนฆ่ากันทรมานกันอย่างนี้นะอะถ้าบาปก็จะยอมไปตกนรกเมื่อความโกรธมันครอบงาําจิตใจอย่างแรงกล้าแล้ว จะไปตกนรกกลุมใดก็ไปทั้งนั้นเลยไม่กลัวนั่นแหลสะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปตกนรกแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนเข้าสารยัดไทน่นี่มันก็เพราะความเห็นวีประิ์ไปจากคำสอนของพระเจ้านี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใด ความรักถ้าเมื่อมันสแสวงหาสิ่งที่ตนรักไม่ได้สมหวังมันมีใครเข้ามายื้อแย่งเอาไปก็โกรธผูกพยาบาทไว้จองเวรกันไปอย่างนี้มันมีอยู่ทมไปนั่นเองเพราะฉะนั้นอะให้พึ่งพากันพิจรนารณาดู ร่างกายสังขารอันนี้ตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดอย่างละเอียดได้แก่อุปทัยรูปสีเสียงแสงรสกลิน่นต่างต่างหมู่นี้นะเนี่ยที่ท่านเรียกว่าอุปทัยรูปรูปอันละเอียดต้องพิจารณาดูให้มันเห็นอย่างที่แนะนำมาเนี่ย ถ้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาของตนเองอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้หลงไหลไปในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ารูปอาศัยเหล่านี้เช่นสีต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแะมันอาศัยรูปหยาบอันนี้อยู่เมื่อรูปหยาบอันนี้มันแปลปวนไปสีเป็นต้นเหล่านั้นมันก็แปลปวนไปตามกันแตกดับไปตามกัน ไม่เห็นมีอะไรวิเศษเลยนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกามหนัดดีไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อความกามหนัดดีมัน เบาวางไว้เท่าไหรความโกรธความมายาบาตต่างๆมันก็เบาไปตามกันเพราะราคาตัญหาตัวนี้มันเป็นหัวหน้ากิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นพระศาสด า, าจึงตั้งต้นไว้เลยตั้งเป็นต้นไว้ขึ้นก่อนเลยราคะนี่ให้สังเกตดูทําไมพระองค์เจ้าจึงยกราคะเป็นหนูหัวหน้ามัวก็เพราะว่าบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนะ่ะ มันเกิดจากราคะตัญหานี่แหละมันมันมีเมื่อจิตใจสร้างราคะตัหายเกิดขึ้นแล้วมันดาโทสะพยาบาทหรือความอยากได้เล็กๆน้อยๆอะไรตอนน่ออะไรมันก็เกิดตามหลังมาเลยเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทการปฏิบัติธรรมให ละเละอย่าไปละเลยร่างกายสังขารอันนี้ต้องพิจารณาทุกวันทุกคืนไปเลยให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปเวราคะตันหาเหล่านี้มันก็จะเบาบางมันจะไม่แก่กล้าไม่กำเริบขึ้นใน จ, ใจิตใจ ทำให้คนเรานั้นสนใจในทางศีลธรรมทางบุญกุศลแหละบบนี้นะเราจะเห็นได้คนผู้ใดท้ามากมากในกรมเข้าไปแล้วมันหันหลังให้ศาสนาเลยไม่หันหน้าเข้าสวดวาศาสานาเพราะว่าความอยากความรักความใครมันบังคับจิตใจไว้ไม่ให้สนใจทางบุญทางกุศล มันจูงใจให้เกิดแต่ความรักความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่หยุดยั้งเลยได้รูปนี้มาแล้วสมประสงแล้วผัดเป็นรูปอื่นผัดว่าสวยกว่านี้เอาประชอบใจแสวงหามันไม่ใช่แต่รูปคนหรอก ร, รูปวัตถุสิ่งของต่าง เช่นรถลาเป็นต้นเหล่านี้นะอา้าวพอซื้อรถคันนี้มาแล้วมาใช่ไปใช่ไปมันเห็นเขาผิดขึ้นมารุ่นใหม่เข้ามามัเกิดจากได้รุ่นใหม่ว่าสวยกว่ารุ่นเก่ า, าอย่างนี้แหละหาเงินหาทองไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยเพื่อจะให้ไปแลกเปลี่ยนเอาของที่ตนรักตนพอใจนั่นมาบริโภคใช้สอย ตกลงว่ามนุษย์เราส่วนมากก็เป็นธาตุของตัณหาความอยากได้นาะนาะนะประการเนี่ยมันถึงได้เป็นทุกข์ถึงได้ทําบาปทํากรรมตายแล้วกว็ไปเอออดกันอยู่ในนรกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่ น, น, นเป็นอย่างนี้ ชี้แจงโทษแห่งตัณหาสู่กันฟังแล้วแต่ผูใ้ใดจะพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาได้มากน้อยเพียงใดมันก็จะละความชั่วออกไปได้เพียงนั้นแหละผลจะทํำบาปทากรรมเพราะกิเลสตัณหาราคะเหล่านี้แหละเป็นมูลเหตุทีเดียวดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาต้องเพ่งพิจารณาดูต้นตอของ ทีเรศบาปธรรมเหล่านี้ให้มันคบให้เห็นด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางไปเรื่อยๆภาวนาแยกแยะดูเห็นแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหัดปลงหัดวางมันไปทำใจเป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งเมื่อทำใจเป็นกลางได้ก็มีสติประคอง รักษาจิตที่เป็นกลางนั้นไว้ให้ได้นะนี่แหละจะเป็นทางคนทุกข์ภายในวตาสงสารดังแสดงมา